รูนที่สุขโตตอนชำระใจห้องที่ปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่ได้มีการดูแลเอาใจใส่หรือทำความสะอาดจนฝุ่นเกาะจับเคลอะเวลาเราเอาไม้กวาดมากวาดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ฝุ่นฟุ้งตลกอบวนจนกระทั่งคนกวาดบางทีก็อาจจะทนไม่ได้ด้วยซ้าจิตของเราถ้าไม่เคยผ่านสมาธิภาวนามาเลยพอเรามาเริ่มปฏิบัติทำสมาธิภาวนาก็ย่อมเจอกับสภาวะความคิดที่ฟุ้งซ่านไม่ต่างจากฝุ่นที่ฟุ้งเวลาเรากวาดบ้านกวาดศาลาเมื่อเรารู้เช่นนี้ก็ควรจะทำใจไว้นักปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะรู้สึกว่า เอเวลาอยู่บ้านก็ไม่เห็นจะฟุ้งขนาดนี้แต่พอมาปฏิบัติทำไมความคิดฟุ้งมากเหลือเกินขอให้เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาเรากำลังทำความสะอาดจิตใจของเราอยู่กำลังชำระปัดกวาดจิตใจของเราซึ่งถูกปล่อยทิ้งเอาไว้นานจนกระทั่งทุเรีความคิดและตะกอนอารมณ์สะสมหมักหมมพอจะปัดกวาดมันก็เลยฟุ้ง อย่าไปโมโหกโกรธาหรือไปหงุดหงิดกับอาการแบบนี้หรือนึกท้อแท้ท้อถอยมันเป็นธรรมดาความฟุ้งเป็นธรรมดาสำหรับการปฏิบัติธรรมมันจะต้องเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่านิวรนิวร์หมายถึงสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมความฟุ้งซ่านจัดเป็นนิวรอย่างหนึ่งชื่ออุทจจะปุ ก, กุจจะ ความฟุงสซ่านความวิตกกังวลกระบวนกระวายอะไรต่างๆมันจะประดังประเดชเข้ามาในใจแต่มันไม่ใช่แค่นิวรณ์อันเดียวที่จะเกิดขึ้นกับเราความงวงเหงวหานอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะเมื่อเราปลีกตัวออกมาจากสภาพแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเรา้าและกระตุ้นผัสสะไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เวลาอยู่ในเมืองแม้แต่เวลานอนก็ยังมีเสียงอึ ก, กระเทึกมากระทบแต่พอเราปลีกมาอยู่ในป่าแถมยังอยู่ในสภาพที่กำหนดให้ไม่ต้องพูดคุยกับผู้คนไม่มีโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ให้ดูไม่มีวิทยุฟังไม่มีงานทามากสรุปคือไม่มีสิ่งที่จะมากระทบหรือกระตุ้นประสาทสัมผัสหรืออายตนะของเรามากเท่าไหร่ ก็ย่อมเกิดความง่วงได้ง่ายเพราะจิตขาดสิ่งเรา้าสิ่งกระตุ้นเหมือนกับปลิงที่เคยวิ่งเล่นกระโดดไปกระโดดมาตามป่าพอจับมันขังไว้ให้อยู่เฉยๆสักพักมันก็ซึมหงอยเพราะมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เคยทำไม่มีสิ่งเรา้าสิ่งกระตุ้นมันใจ เ, เราก็เช่นกันยิ่งใครที่ปฏิบัติด้วยการเข้าไปดูความคิดมากๆจนความคิดหลบในไม่มีความคิดออกมา ก็จะเกิดความง่วงได้เหมือนกันเพราะว่าความคิดก็เป็นสิ่งกระตุ้นเราจิตอย่างหนึ่งถ้าคิดมากๆก็หายง่วงไม่คิดเลยก็ทําท่าจะหลับจิตนั้นพอมีอะไรมากระตุ้นมันจะตื่นสว่างเหมือนกับกาแฟพอกินแล้วเราก็ตาสว่างเพราะมันไปกระตุ้นประสาทความคิดก็ทําให้จิตของเราตื่นตัวอย่างนั้นแหละตอนเช้ามืด เราจะรู้สึกซึมไม่ตื่นตัวส่วนหนึ่งก็เพราะความคิดยังไม่แล่นยังไม่ค่อยออกมากระตุ้นจิตเราแต่พอสายหรือบ่ายจะตื่นตัวมากตื่นตัวเพราะความคิดมันแล่นปรุตปลาดแล้วจิตก็เลยถูกกระตุ้นความคิดมันทำหน้าที่เหมือนกาแฟปลุกเราให้ตื่นฉะนั้นพอไม่มีความคิดออกมาก็รู้สึกเหงาซึมอันนี้ก็เป็นธรรมดา เป็นนิวรณอย่างที่สองที่เกิดขึ้นซึ่งจะตรงข้ามกับอันแรกอันแรกฟุ้งอันที่สองซึมแต่ก็เป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นในสภาวะเดียวกันคือเวลาเราลงมือปฏิบัติทำสมาธิภาวนานิวรณอันที่สามได้แก่วิจิกิจฉาความลังเลสงสยัย ความลังเลจะเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่ยังไม่เกิดผลจากการปฏิบัติหรือเบื่อหน่ายกับการปฏิบัติมันจะเกิดความสงสัยว่าเที่ยวเราทำนี้ถูกหรือเปล่าบางทีก็ลังเลว่าเรามาที่นี่ทำไมอยู่บ้านก็สบายดีอยู่แล้วเราตัดสินใจถูกแล้วหรือที่มาปฏิบัติแบบนี้ความลังเลแบบนี้บางทีก็เกิดจากกิเลสมันปรุงแต่ง คอยก่อควรให้เราสงสัยในการปฏิบัติจะได้เลิกปฏิบัติก็ต้องระวังอย่าไปหลงเชื่อหรือใส่ใจกับมันมากนิวรน์ประการต่อมาคือการมชฉันทะคือความกำหนัดติดใจในการคิดถึงคะนึงหาสิ่งน่าใครน่าพอใจอะไรอาวรถึงสิ่งที่ติดอกติดใจจะเป็นคนรักของกินอร่อยออยเสื้อผ้าที่สวยงาม อะไรก็ตามที่ทำให้เราหลงไหลใฝ่หาเหล่านี้เรียกว่ากามทั้งนั้นอาจเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะหนังที่อยากดูสถานที่ที่เราเคยติดใจพอมาปฏิบัติใจก็ขวนกลับไปยังที่ที่เคยเที่ยวตรงนั้นอีกนี่ก็เป็นกรรมมชันทะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องทางเพศอย่างเดียวเวลาปฏิบัติธรรมพวกนี้จะลอยเข้ามาทำให้เราเกิดความอยาก อาจจะเป็นน้ำอัดลมเย็นๆที่ติดใจตาแฟหรือเสียงแพระาของคนรักพอเกิดขึ้นแล้วก็เลยอยากให้จบกันปฏิบัติเร็วๆหรือพันจะเลิกปฏิบัตินึกหาข้ออ้างกลับบ้านไวๆนิวันอันสุดท้ายคือพยาบาทได้ แ, แก่ความคิดร้ายรวมไปถึงความหงุดหงิดขัดเคืองใจบางครั้งเราจะรู้สึกพันหงุดหงิดไปทั่วเลย โดยเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติไม่ค่อยก้าวหน้าใจจะหาเรื่องโทษนั่นโทษนี่เช่นโทษเสียงคล้องเสียงรถหรือเสียงคนคุยดังๆว่าเป็นตัวการทำให้เราปฏิบัติไม่ดีเท่าที่ควรบางทีก็หงุดหงิดเพื่อนนักปฏิบัติธรรมด้วยกันหรืออาจจะรำคาญเสียงพระพูดคุยกันที่แววเข้ามาหรือหงุดหงิดฝนฟ้าอากาศทาให้นึกบ่นกลด่านในใจ คนที่เครียดอยู่แล้วจากการปฏิบัติจะพานหุดหงิดง่ายเราต้องระวังใจมันจะพานหุดหงิดไปทั่วพานไปทั่วแม้กระทั่งพานตัวเองว่าทำไมโง่ยอย่างนี้ทำไมไม่เข้าท่ายอย่างนี้ให้เติมใจรับมือกับมันด้วยอย่าเผลอเข้าไปในความหุดหงิดพยาบาทเพราะถ้าเราเผลอก็แสดงว่าเราโดนมันหลอกแล้วตัวกิเลสมันหลอกให้เราเผลอสติ ทีแรกกิเลสมันมาล่อให้เราคิดฟุ้งซ่านเอาเรื่องสนุกสนุกหน้าใครหน้าพอใจมาล่อจิตให้มาตะครุบพอเราไปงับเหยื่ออันนี้เข้ามันก็พอใจแต่พอเรารู้เท่าทันมันก็จะหาเหยื่อแบบใหม่มาล่อเราเช่นเอาความหงุดหงิดลคาคันใจมาล่อใจให้ออกไปผลักใส่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็เสียท่าหลุดจากสติไป ความหงุดหงิดราคาญใจไม่ใช่เป็นความคิดแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกซึ่งจับได้ยากกว่าความคิดเวลาเราคิดเราชอบคิดเป็นคำเป็นภาพแต่ถ้าเกิดความหงุดหงิดราคาญใจมันไม่มีคำหรือภาพแต่มันเป็นสีที่มาย้อมจิตให้หมองเหมือนกับกระดาษสีที่มาปิดตาเราเรายังมองเห็นแต่เห็นเป็นภาพที่ไม่สดใสขุ่นมัว บางทีก็เหมือนกับหินที่มาถ่วงใจเราไว้ให้รู้สึกหนักอึง้งนิวัณทั้ง5้านี้มันจะเรียงกันมาหรือบางทีก็มาพร้อมกันมากบ้างน้อยบ้างในวันวันหนึ่งเราจะเจอพวกนี้เยอะมากทาั้งที่ตอนอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานไม่เห็นมีอาการแบบนี้มากเท่าไหร่แต่พอมาปฏิบัติอยู่ในที่สงบแบบนี้ทำไมมันเกิดขึ้นมากมาย เขาว่าปฏิบัติแล้วดีไม่ใช่หรือแต่ทำไมฉันต้องมีปัญหามากมายแบบนี้ขอให้ตระหนักว่านี้เป็นเรื่องธรรมดามากมันเป็นธรรมดาของจิตที่พยศจิตที่ไม่ถูกตามใจเหมือนเคยแต่ก่อนมันได้รับการตามใจอยากเสพอะไรก็เสพอยากดูอะไรก็ดูอยากคุยก็คุยอยากโกรธก็โกรธอยากฟุ้งก็ฟุ้ง เราตามใจอายตนาทั้ง6มานานเต็มทีแล้วพอเรามาบังคับควบคุมหรือพยายามดัดนิสัยมันไม่ให้เสพไม่ให้ฟุง้งไม่ให้ปลนเปลืตนด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตก็เลยพยศขึ้นมาเหมือนเด็กที่ถูกตามใจจนเสียคนพอถูกควบคุมความประพฤติเขาก็เลยอรารวาดหรือมุ่นงานขึ้นมาทําเราป่วนไม่หยุด เพื่อให้เรายอมแพ้ยอมปล่อยให้เขาเป็นอิสระเหมือนเดิมจิต ท, ที่ถูกปล่อยตัวตามใจก็เหมือนกันเวลาเรามาปฏิบัติแบบนี้มันจะพยศหาเรื่องปวนเพื่อให้เราเลิกจากการปฏิบัติให้ได้แล้วหันไปเสพสิ่งเรา้าไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธ ร, ร ม, มารมหรือความคิดเหมือนเดิมพอเราไม่ยอมมันก็ยิ่งปวนหนัก เรียกอาการที่เกิดนิวรณต่างๆมากมายฟุ้งซ่านง่วงเหงาหานอนลังเลสงสัยนึกอะไรอาวรสิ่งที่ติดอกติดใจและความหงุดหงิดคิดร้ายว่าเป็นอาการลงแดงทางภาษะพวกเรานี้เสพติดกับภาษามานานภาษานี้มันน่าเสพติดนะแม้กระทั่งเสียงดังๆคนที่อยู่ในเมืองเวลานอนจะคุ้นกับเสียงดังกลางดึก เสียงรถผ่านไปผ่านมาพอมันนอนในที่สงบสงบก็นอนไม่หลับมันเสพติดกับเสียงโดยไม่รู้ตัวเสียงนี้แหละที่พอมันมากระทบกับหูเกิดผัสสะขึ้นมานั น, นเข้าก็ติดเหมือนกันนะพอเราจะถอนออกมาก็เกิดอาการลงแดงเหมือนกับคนที่ติดบุหรี่ติดกาแฟรหรือติดผงขาวพอจะถอนตัวออกมาก็จะเกิดอาการหลายอย่าง เช่นมือสันหนาวๆร้อนๆง่วงเหงาหาวทั้งวันปวดตามเนื้อตามตัวอานเจียนงุ่นง่านกระสับกระส่ายสุดแท้แต่ลิบเด็ดของมันภาษสะ ก, ก็เหมือนกันอยู่กับมันมากๆ ก, ก็เสพติดได้ทั้งๆที่เราเห็นโทษของมันเหมือนกับที่เราเห็นโทษของกาแฟบุหรี่ยาเสพติดแต่พอเราจะถอนตัวออกมา ก็จะเกิดอาการต่า ง, า ง, างร้อยแปผัสสะเหล่านี้มันพยายามดึงเรากลับเข้าไปสู่อำนาจของมันใหม่เมื่อเราพยายามหนีห่างออกมาก็เลยเกิดอาการลงแดงขึ้นคือง่วงฟุง้งเครียดกระสับกระส่ายหงุดหงิดงุนง่านผ่านไปทั่วเราต้องรู้ว่านี่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่เราต้องฝืนต้องสู้แต่ไม่ได้สู้ด้วยการไปกด ไปบีบหรือผลักสายอาการเหล่านี้ไม่ใช่พอเกิดการเมชาทขึ้นมานึกถึงสิ่งสวยงามต้องตาต้องใจหรือพอเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจก็ไปห้ามไม่ให้คิดไม่ให้รู้สึกเราจะไปห้ามมันไม่ได้เลยอย่าไปสู้กับมันแบบนั้นสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่อย่าไปสนใจมันเลยจะเป็นการดีที่สุดถ้าเราไปสู้กับมันไปบีบไปห้ามมัน มันยิ่งพึ่ดสู้ยิ่งเป็นการให้กำลังกับมันมันจะคอยหลบในพอเราเผลอมันก็จะโผล่ออกมาใหม่ปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนกับเรายืนอยู่ที่ชายหาดแล้วก็ดูคลื่นในทะเลดูมันซัดสร์เข้าฝั่งดูคลื่นทะยานขึ้นแล้วก็สงบลงเห็นอาการต่างๆของมันแต่ไม่เข้าไปยุ่งกับมันไม่เข้าไปหา ทั้งไม่เข้าไปขับไล่มันเราเป็นแค่ผู้ดูอยู่เฉยๆความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็เหมือนคลื่นในทะเลมันซัดใส่เข้ามามากมายในใจเราแต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเราอยู่บนฝั่งไม่ลงไปคลุกเคล้าหรือสู้รบตกมือกับมันมันไม่ทําให้เราเปียกได้การอยู่บนฝั่งดูมันอยู่เฉยๆก็คือ อยู่บนฐานแห่งสตินั่นเองเห็นมันมาแล้วก็ไปดังคลื่นที่ซัดมาลูกแล้วลูกเล่าแล้วก็จางหายไปหรือไม่ก็ทำใจให้เหมือนกับสาราโปร่งลมพัดมาแล้วก็ออกไปพัดมาทางไหนก็ออกไปทางตรงข้ามพัดมาทางนี้ก็ออกไปทางนั้นอย่าทำตัวเหมือนบ้านที่มีประตูหน้าต่างปิดหมดทุกบาน เวลาลมพัดเข้ามาก็ออกไปไหนไม่ได้หมุนบนอยู่ข้างในทิ้งฝุ่นทิ้งตะกอนเอาไว้จนบ้านเคละบไปด้วยฝุ่นไม่น่าดูถ้าเราเหมือนสาราที่โปร่งไม่กักลมเอาไว้มันพัดเข้ามาก็ปล่อยให้มันพัดออกไปเอาฝุ่นออกไปด้วยไม่ทิ้งไว้ในสาราให้เราทำใจให้โปร่งโล่งเหมือนสารา ไม่คิดจะเก็บกักเศษธุรีใดๆที่มากับคลื่นอารมณ์และความคิดเพียงแค่อยู่เฉยๆคลื่นอารมณ์ความคิดมันก็ผ่านเลยไปและเอาเศษธุรีนิวรต่างๆออกไปด้วยสรุปง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนพูดอยู่เสมอก็คือเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้เป็นจะง่วงก็รู้มันจะฟุ้งก็รู้มันแต่ไม่เข้าไปในความง่วงไปเป็นผู้ง่วงผู้ฟุง้ง มีพยาบาทความหงุดหงิดก็รู้ไม่เข้าไปเป็นวิธีที่จะไม่เข้าไปเป็นก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะถ้ายินดียินร้ายก็จะเข้าไปคลอเคลียมันหรือไม่ก็เข้าไปผลักใสมันเพราะถ้าเข้าไปคลอเคลียรหรือผลักใสมันเมื่อไหร่ก็จะติดกับมันเหมือนโดนยางเหนียวหลุดจากมันไม่ได้เลยเข้าไปเป็นมันเพราะฉะนั้น คิดดีก็ช่างคิดร้ายก็ช่างให้ถือหลักช่างมันเอาไว้ปล่อยมันไปให้ดูมันเฉยๆเออเห็นมันเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันก่อตัวถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งกับมันในที่สุดมันก็จะดับไปถ้าเรามีสติไวพอเราเห็นมันก่อตัวเท่านั้นแหละมันก็เลือนหายไปเลยมันไม่สามารถทนทานต่ออำนาจของการเห็นได้ การเห็นนี้มีพลังมากเหมือนกับหมาที่จะเข้ามากัดเราถ้าเราหันกลับไปจ้องหน้ามันมันจะหยุดทันทีการเห็นมีพลังมากเลยมันสะกดมันยับยั้งได้โดยไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องตีไม่ต้องคว้างปาด้วยก้อนหินแค่มองมันเฉยๆก็พอเราก็แค่รู้ว่ามีความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นก็ดูมัน รู้แต่ไม่เข้าไปเป็นแต่ไม่ใช่ดูแบบจ้องเพ่งถ้าสติไม่เข้มแข็งพอจะถูกมันดูดกลืนเข้าไปในความคิดและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นได้ต้องระวังผู้ปฏิบัติใหม่นี่ยังดูไม่เป็นก็ต้องใช้วิธีหันหลังให้มันไม่สนใจมันมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันไม่เข้าไปผลักใสหรือคลอเคลียมัน มันจะง่วงก็ช่างฉันจะทำของฉันเพราะได้ปรารบความเพียรไว้แล้วอย่างที่ได้แนะว่าให้เอาวิริยะเป็นทับหน้าปัญญาเป็นทับหลังจะไปสู้กับกองทัพแห่งความลืมความหลงซึ่งมีพลพักอยู่ห้าตัวคือความง่วงทีนามิทะความฟุ้งซ่านวิตกกังบลอุทธจากกูกุจจะความลังเล ส, สงสยัยวิจิกิจฉา ความติดใจโหยหาสิ่งน่ารักน่าพอใจการมาฉันทะความกุ่นเคืองหงุดหงิดพยาบาทพวกนี้คือทับหน้าของความหลงและความลืมซึ่งเป็นศัตรูกับสติสัมปชัญญะเราก็ต้องสู้เหมือนกันเอาวิริยะเป็นทับหน้าลุยเข้าไปทำไม่หยุดไม่ท้อถอยขณะเดียวกันก็มีปัญญาคอยสอดส่อง คอยหาวิธีแก้ลำพวกนี้ไม่ให้มันเล่นงานเราจนเสียผู้เสียคนหรือหมดเนื้อหมดตัวไปให้เรารักษาความเป็นปกติเป็นกลางไว้ในจิตใจเมื่อเรามีความเพียรควบคู่กับอุบายแก้อารมณ์เราจะสามารถเดิอนอย่างมั่นคงบนวิถีแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องได้อารมณ์พลุ่งพล่านต่างต่างที่รบกวนใจคือนิวรณ์ทั้ง5้าเหล่านี้ก็จะค่อยๆซาลงไป แต่กว่าจะถึงจุดนั้นก็จะต้องเจอทับใหญ่คนที่ง่วงก็จะง่วงมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งถ้าเรายังสู้อยู่ต่อไปไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหลักไม่ยอมตามใจมันมันก็จะค่อยๆสงบลงเหมือนกับยอดภูเขาเมื่อเราไต่ขึ้นไปถึงยอดแล้วมันก็มีแต่จะลาดลงความง่วงเมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็มีแต่จะลง ถ้าเราอดทนจนถึงจุดนั้นมาได้ไม่นานก็จะเกิดความตื่นตัวในทำนองเดียวกันความฟุ้งซ่านที่ฟูขึ้นไม่หยุดเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะสงบลงเกิดความสงบในใจบางทีไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำความคิดมันน้อยลงเพราะเรารู้ทันมากขึ้นความว่งน้อยลงเพราะรอบรับใจเข้ากับสภาพที่สงบสงัดไร่สิ่งเราได้แล้ว กา ร, รมชฉันทะและพยาบาทก็เช่นกันเมื่อเรารู้มันเราเท่าทันมันไม่เข้าไปยุ่งกับมันมันก็จะสงบลงไปตอนนี้แหละอาการลงแดงก็จะค่อยๆหายไปจะเกิดธรรมชาติหรือสภาวะใหม่ในจิตใจของเราแต่จะถึงจุดนั้นได้ต้องอาศัยความเพียรมากต้องมีความตั้งใจไม่ยอมแพ้มันง่ายๆ แล้วก็มีกุสโลบายที่จะจัดการกับมันโดยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยทีนี้พอจิตสงบลงก็จะเริ่มเป็นสมาธิสมาธิคืออาการที่จิตเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นธรรมชาติเมื่อใดที่เรามีสติสมาธิก็เกิดขึ้นเวลาเราทำงานถูพื้นล้างจานกินข้าวเวลามีความคิดผุดขึ้นมาถ้าเรามีสติ มันฟุ้งเมื่อไรสติก็เท่าทันตึงจิตกลับมาที่อิรยาบทหรือการกระทำนั้นๆเมื่อกลับมาจิตก็เริ่มตั้งมั่นแนว่วแนว่และเกิดเป็นสมาธิในที่สุดมีสมาธิกับการล้างจานเพราะมีสติมีสมาธิกับการเดินก็เพราะมีสติความแนว่วแนว่แนตั้งมั่นของจิตความเป็นหนึ่งเดียวของจิตเรียกว่าสมาธิ สมาธิทำให้เกิดความสงบความสุขทำให้เกิดความเพลินถ้าเรามีสมาธิกับการล้างจานก็จะรู้สึกเพลินเป็นสุขทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะเรามีสติเราทำงานอย่างเป็นสุขเพราะเรามีสติตอนแรกๆเราอาจจะรู้สึกเครียดหดงุดหงิดรำคาญใจอยากให้เสร็จไวๆแต่ถ้าสติไวพอเราจะรู้อารมณ์เหล่านั้น สติจะดึงจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้ทันกลับมาอยู่กับการทำงานเมื่อกลับมาแนบสนิทกับการงานได้อย่างต่อเนื่องก็เกิดเป็นสมาธิและความสุขสมาธิคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามมากับสติมีสติแล้วก็เกิดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมความแจ่มชัดในการงานที่ทำไม่หลงไม่พลาดเรือนไม่เชยไฉไปตามอารมณ์ จากนั้นก็จะเกิดเป็นสมาธิพอเกิดสมาธิก็ทำงานได้สนุกเพราะมันเป็นสุขเกิดความเพลินขึ้นมาอย่างไรก็ตามพอถึงตรงนี้เราต้องระวังนะอย่าไปหลงติดอยู่กับความเพลินอย่าเข้าไปในความเพลินไม่งั้นจะลืมตัวลืมเวลาลืมนัดหมายต้องรู้ทันความเพลินไม่เข้าไปในความเพลินถ้าเราเข้าไปในความเพลินเมื่อไหร่ จะลืมตัวสติจะหายไปสตินาไปสู่สมาธิก็จริงแต่สมาธิอาจไม่ทำให้เกิดสติก็ได้อันนี้ต้องระวังเราสามารถมีสมาธิโดยไม่มีสติเลยก็ได้เช่นเราหลับตาตามลมหายใจจนเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วเกิดความสงบดื่มดำกับความสงบและความสุขอย่างเต็มที่ ทันใดนั้นมีฟ้าผ่าลงมาดังสนัน่นเราจะสะดุ้งตกใจเลยนั่งสมาธิแล้วสะดุ้งตกใจเพราะเสียงดังแสดงว่าไม่มีสติใครเคยเป็นแบบนี้ไหมกําลังเคลิบเคลิมกับเพลงบรรเลงหวานๆเบาๆอยู่คนเดียวกลางดึกจู่ๆก็มีคนตะโกนเรียกหรือมีเสียงประทัดดังตูมขึ้นมาเหมือนสะดุ้งให้รู้ว่า นั่นเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติบางคนก็มีสมาธิกับการคิดมากดื่มดำกับมันจนลืมตัวก็มีมีเรื่องเล่าว่านักวิทยาศาสตร์เยอรมันบางคนเดินคลุ้นคิดกับปัญหาวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าเขาเดินสะดุดหกล้มหน้าคว่ำวัดพื้นเต็มที่พอมีคนเข้ามาช่วยประคองเขาเขาก็พูดขึ้นมาทาั้งๆที่กำลังนอนอยู่ว่า อย่ามาวุ่นวายกับผมได้ไหมผมกําลังยุ่งเขามีสมาธิกับความคิดอย่างมากจนลืมตัวไปว่ากําลังนอนแผ่ร้าอยู่นี้เรียกว่ามีสมาธิแต่ขาดสติเราต้องมีสมาธิที่ประกอบด้วยสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีคนมาเรียกโทรศัพท์ดังเสียงฟ้าร้องเราก็สงบได้เฉยได้ แล้วก็ลุกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างมีสติสมาธิโดยไม่มีสตินี่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะการปฏิบัติที่เน้นสมาธามากๆต้องระวังอันนี้ต้องให้มีสติให้ได้สตินั้นประเสริฐกว่าสมาธิปฏิบัติแบบสมาธาเน้นสมาธิมากๆนี่มีมาก่อนพุทธศาสนาก่อนจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็เคยไปเรียนกับอาร า, ราดาบด อุทกดาบทมาแล้วสองท่านนี้เชี่ยวชาญในสมาธิมากฝึกได้ถึงชั้นเจชั้นแแต่เมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์วิธีการของพระองค์ต่างจากของผู้คนก่อนหน้านั้นตรงที่เน้นเรื่องสติหัวใจกรรมาฐานแบบพุทธคือสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นในการปฏิบตัติเราต้องให้สติเป็นผู้นา สมาธิตามไม่ใช่สมาธิตามจนสติหายไปเลยอันนั้นไม่ถูกต้องหลวงพ่อคำเขียนก่อนมาพบหลวงพ่อเทียนท่านก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมีสมาธิมากกว่าสติสติไม่มีกำลังตอนหลังอาศัยสติเป็นตัวนำสมาธิตามนั่นแหละถึงได้ทำให้ทุกเบาบางสมาธินั้นมีสเสน่ห์เพราะมีรสชาติเด่นกว่าสติ คนเลยชอบเพราะทําให้มีความสามารถพิเศษหรือเกิดสิ่งแปลกใหม่เช่นเกิดนิมิตขึ้นมาในขณะที่สติทําให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่น่าตื่นตาตื่นใจอะไรไม่เหมือนสมาธิซึ่งมีของให้เล่นเยอะแต่ก็ให้รู้ว่าสตินี้มีคุณค่ากว่าสมาธิและทําได้ยากกว่าที่ทิเบตจะมีการทําสมาธิภาวนา อาศัยภาพวาดที่เรียกว่าพระบทเป็นวัตถุหรืออารมณ์สําหรับกรรมฐานเรียกว่าบริกรรมนิมิตภาพบทนั้นเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และเทพทั้งหลายรวมทั้งเทพที่รูปร่างน่ากลัวซึ่งที่จริงก็คือปุคลาทิฏฐานเกี่ยวกับสภาวะต่างๆในใจของเรานั่นเองคนที่เบะใช้พระบท หรือภาพเหล่านี้ที่เรียกตังกะสำหรับทําสมาธิภาวนาโดยเอาภาพนี้มาเพ่งเหมือนกสินคนที่มีสมาธิดีเทพนี้จะออกมาไร้รำต่อหน้าเลยเขาต้องทําให้ได้ถึงขั้นนั้นคือให้เทพหลุดจากภาพออกมาไร้รำต่อหน้าอันนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตก็ได้ต้องมีสมาธิสูงมากถึงจะทาแบบนั้นได้ แต่อันนั้นทางที่เปรยังถือว่าไม่เก่งไม่ยากเท่ากับการพิจารณาจนทาให้เทพที่ไร้รำอยู่ต่อหน้าคืนกลับสู่ภาพพระบทได้ทำได้อย่างนี้ถือว่าเก่งคนที่เอาเทพในภาพออกมาแร้รารนี่ยังไม่เก่งเท่ากับเอาเทพที่ไร้รำกลับไปเป็นภาพเหมือนเดิมพูดอีกอย่างหนึ่งคือสร้างนิมิตให้เกิดขึ้นไม่ยากเท่ากับทานิมิตให้หายไป ทำอย่างแรกต้องอาศัยกาลังสมาธิสูงแต่จะทำอย่างหลังนี้ได้ต้องอาศัยสติมากสติจะบอกให้รู้ว่าเทพที่ไร้รารนี้เป็นมายาไม่ใช่ของจริงสติช่วยให้ไม่ตื่นตกใจหรือหลงไหลกับภาพนิมิตไม่ว่าหน้ากรัวหรือสวยงามก็ตามสติทำให้จิตเป็นปกติและทำให้ภาพนิมิตหมดฤทธิ์เดชและกลับคืนสู่สภาพเดิม ถ้าทำได้อย่างนี้ทางทิเบตถือว่าทำได้ยากกว่าต้องอาศัยประสบการณ์และสภาวธรรมขั้นสูงคนที่ไม่เข้าใจกรรมาฐานแบบพุทธมาเข้าใจว่าการทาภาพนิ่งให้ออกมาแร่รำนั้นเป็นเรื่องยากใครทำได้ต้องถือว่าเก่งและน่านับถือแต่ที่จริงทางพุทธนั้นถือว่าการทำสิ่งธรรมดาให้เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นไม่ใช่เรื่องยาก ิก็คือการทำสิ่งไม่ธรรมดาให้กลับเป็นธรรมดานี้คือปาฏิหาริย์แบบพุทธซึ่งต้องอาศัยกาลังสติอย่างสูงในทางพุทธศาสนาถือว่าการทำอิทธิปา ฏ, ฏิหาริย์นั้นไม่ประเสริฐเท่ากับการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติท่านติชนัทฮันบอกว่าการเดินบนพื้นโลกอย่างมีสตินั้นเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วในตัวด้วยเหตุนี้เอง จึงถือว่าสติเป็นพี่สมาธิเป็นน้องเท่าสมาธิเป็นพี่ระวังสติจะถูกละเลยจนหายไปเลยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งที่ความสงบในใจหรือคลายเครียดเท่านั้นคนมักเข้าใจว่าสมาธิภาวนาแบบพุทธนั้นทำไปเพื่อความสงบอันนั้นเป็นแค่ผลพลอยได หรือเป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่ได้ทำสมาธิหรือจเจริญนสติปัฏฐานเพื่อความสงบเรามุ่งสิ่งที่สูงกว่านั้นคือทำให้เกิดปัญญาจเริญสติแล้วไม่เกิดปัญญาได้แต่ความสงบก็ดีเหมือนกันช่วยให้หายเครียดหายทุกไปชั่วคราวก็ดีแต่ยังไม่พอเราต้องทำให้เกิดปัญญาด้วยปัญญาอะไร ปัญญาคือความเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เห็นความเกิดดับของความรู้สึกนึกคิดต่างๆสติช่วยให้เราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นความคิดและความรู้สึกของเราจนกระทั่งเห็นธรรมชาติของมันเลยรู้จักธรรมชาติของมันว่าเออ ม, มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปเหมือนกับคลื่นในทะเลที่ก่อตัวแล้วก็สงบลงเก่อตัวแล้วคืนกลับสู่สภาพเดิม เห็นเกิดดับเกิดดับเห็นจนกระทั่งเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นไม่ใช่ตัวเราของเราก่อนหน้านี้ไม่เห็นอย่างนั้นก็เลยไปเอาจิงเอาจังกับความคิดเป็นบ้าเป็นหลังกับมันกอดมันเอาไว้ใครมาค้านก็โมโหเวลาเกิดอารมณ์ก็เช่นกันโกรธก็โกรธเป็นบ้าเป็นหลังเกรดก็เกลียดหน้าดู ที่จริงความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้มันก็แค่สายลมที่พัดผ่านเข้ามาไม่น่าไปจริงไปจังเอาเป็นเอาตายกับมันมันเป็นเพียงสิ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วก็ดับไปสติทําให้เกิดปัญญารู้ธรรมชาติของมันทําให้เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่ควรยึดถือเป็นตัวเป็นตนมากขึ้น จะเรียกว่าเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณปัญญาเช่นนี้แหละที่จะทําให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ไปจากจิตใจได้เมื่อเราเห็นความคิดจนรู้จักธรรมชาติของมันรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางได้ปัญญาทําให้เราสามารถปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้เฝ้าดูมันเฉยๆเป็นผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้เป็น เคยมีคนมาถามหลวงพ่อคาเขียนว่าหลวงพ่อทํายังไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อตอบว่าถามไม่ถูกให้ถามใหม่เขาเลิกขึ้นได้โดยถามว่าทํายังไงดีหลวงพ่อความเครียดมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกิน2ประโยคนี้ต่างกันนะหนูเครียดจังเลยกับความเครียดมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกิน นูเครียดเหลือเกินนี่หมายถึงไปยึดเอาความเครียดมาเป็นชั้นเป็นของชั้นแต่คนที่บอกว่าความเครียดเกิดขึ้นนั้นเขาเห็นความเครียดแต่ไม่ได้ไปยึดว่ามันเป็นชั้นเป็นของชั้นมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอันนี้เรียกว่าเป็นผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้เป็นหนูเครียดเหลือเกินหนูเกลียดเหลือเกินนี่คือผู้เป็นส่วนผู้เห็นคือ ผู้ที่เห็นความเครียดเกิดขึ้นในใจเราต้องไปให้ถึงจุดนั้นความเครียดเกิดขึ้นในใจหนูอันนี้ถูกต้องคือไม่ไปยึดเอาว่าความเครียดเป็นฉันเป็นของฉันตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยฉะนั้นขอให้มีแต่ความเครียดแต่อย่ามีผู้เครียดนะมีความโกรธแต่อย่ามีผู้โกรธเราต้องเห็นตรงนี้ให้ได้มันมีแต่ความเครียดแต่ไม่มีผู้เครียด มีแต่ความคิดแต่ไม่มีผู้คิด